สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาร น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเ ย, ยซูตอนที่ห้าร้อยสิบเจ็ดเรื่องเปเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ยี่สิบสองพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในฮีบรูบทที่เจ็ดข้อที่สี่ถึงข้อที่สิบโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงคิดดูเถิด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 คือจากพวกพี่น้องของตนแต่เมือคีีสเด็กผู้นี้ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขาแต่ก็ยังได้รับทัศนา์จากอับราฮัมและได้อวยพรให้อับราฮัมผู้ที่ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าสิ่งที่ค้านไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรอีกประการหนึ่งในกรณีของ บุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมนุษย์ที่ต้องตายเป็นผู้รับท่างแต่ในกรณีของเมลคีเสเดกผู้ที่รับท่างนั้นมีหลักฐานในพระคัมภีร์ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเลวีผู้รับท่างนั้นก็ได้ถวายท่างแก่เมลคีเสเดกทางอัปรามเพราะว่า ขณะนั้นเขายังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษคืออับราฮัมขณะที่เมลคีเซเดกได้พบกับอับราฮัมพี่น้องครับเมื่อเรายิ่งอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมฮีบรูบทที่เจ็ดที่ได้อ่านไปแล้วนั้นก็ได้ยิ่งชัดเจนแน่ใจและพบว่าเมลคีเซเดกนั้นเป็นใครผมขอทบทวนนะครับ เมลคีเจเดกนั้นเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดเป็นคนที่พบกับอับราฮามัมและอับราฮัมก็ได้ถวายทศางครับพี่น้องครับบทที่เจ็ดนี้เป็นบทที่ใจความหลักกล่าวถึงพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของพวกเราและโปรงยังทรงเหนือกว่าดีกว่าปุโรหิตของเลวี ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอารอนและบทนี้ก็กําลังยกหลักการเหตุผลที่ซับซ้อนครับเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นมหาปุโรหิตและเหนือกว่าปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมและลักษณะที่พระเยซูเป็นมหาปุโรหิตนั้นพรงผีพูดชัดเจนครับว่าเป็นตามอะไรครับตามแบบอย่างของเมลคีเซเดก พี่น้องครับในข้อที่สี่ถึงข้อที่หกเราพบว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งแม้แต่อับราฮัมเป็นต้นตระกูลของพวกยิวนั้นก็ยังได้ถวายทัสังแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมทีเสเดกนั้นคือพระเยซูพระเยซูนั้นเป็นทีโอฟานี่หรือคริสโตฟานีซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับ ก็คือเป็นการปรากฏกายของพระเยซูในรูปแบบนะครับของเมลคีเสด ก, ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมารับสภาพเนื้อหนังแบบมนุษย์ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาเป็นบังเกิดมาบังเกิดลงมาบังเกิดในโลกนี้เป็นทารกน้อยในใ น, ในรางยาและความหมายของเมลคีเสดกนั้นก็คือกษัตริย์แห่งความชอบธรรมนะครับแล้วก็ เมืองที่ไปครองก็คือเป็นเมืองชาเลมซึ่งเมืองชาเลมนั้นต่อมาเรียกว่าเยรูซาเลมนั่นเองพี่น้องครับนักวิชาการพระกรมพีหลายหลายท่านนะครับเห็นพ้องต้องกันว่าการที่บอกว่าเมลคีเสดกนะครับไม่ใช่เป็นพระเยซูอาจจะตกอยู่ในข้อหาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าได้เพราะอะไรครับเพราะว่า นอกจากพระเยซูคริสต์ที่ถูกเรียกเช่นนั้นในอีกในพระธรรมวิวรณ์บทที่สิบเก้าข้อสิบเอ็ดและข้อสิบหกนะครับและอิสยาบทที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งนะครับการที่คนคนนี้นะครับถูกเรียกว่ากษัตริย์เมืองซาเลมซึ่งแปลว่ากษัตริย์แห่งสันติสุขนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นคำเรียกเชิงผลกก่อนครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วพี่น้องหากมีความสงสัยนะครับ ถอยกลับไปดูฟังของเมื่อวานนี้นะครับยังไงก็ตามครับเราจะเดินหน้าต่อไปเพราะผมจะไม่อยู่ในปมประเด็นของความขัดแยง้งหรือว่าบางท่านบางคนนั้นอาจจะมีความเห็นว่าเมลคีเสดก็เป็นเมลคีเสดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพระเยซูเลยแม้แต่น้อยอยังไงก็ตามครับประเด็นนี้นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าจริงๆแล้วอับราฮัมนั้นได้ถวาย สิบรถหรือทัศน์สางนั้นแก่เมลคีเสดครับคนโบราณครับเชื่อว่าการถวายสิบรถแก่คนที่พวกเขาเชื่อถือเป็นพวกคนที่พวกเขาเคารพนับถือว่าเป็นพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเขาก็เชื่อว่ามีเทพพระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นการชักสิบรถหนึ่งนะครับมาถวายนะครับ แสดงว่าคนนั้นเป็นเท พ, พเจ้านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นเราต้องหมายเหตุครับว่าการถวายสิบรถหรือถวายสิบชักหนึ่งหรือถวายทัศสังนั้นที่ถูกกล่าวถึงตรงนี้ได้เกิดขึ้นอย่างน้อย400ปีก่อนการเกิดของโมเสสครับนะครับ400กว่าปีก่อนการเกิดของโมเสสก่อนที่จะมีพระบัญญัตินะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็เข้าใจว่าเป็นไปได้ครับที่พระเยซูนะครับจะเป็นเมลคี่เสด็จนะครับหรือเมลคี่เสด็จจะเป็นพระภาคที่สองในตรีเอกานุภาพผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นได้หมายเหตุไว้ครับว่าปุโรหิตตระกูลเลวีได้รับสิบชักหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในธรรมบัญญัติ แนวคิดเรื่องการสืบเชื้อสายตามพงพันธุ์จากอับราฮัมมาถึงตระกูลอาโรนนะครับอาโรนนี่อยู่ในสมัยเดียวกับโมเสสนะครับและตามพงพันธุ์นี้ก็เกิดขึ้นกับคนที่เป็นปุโรหิตครับเพราะว่าอาโรนนั้นถือว่าเป็นต้นตระกูลของปุโรหิตปุโรหิตตามอย่างอาโรนนะครับเพิ่มพีในฉบับภาษากิงเจียนก็คือว่า อยู่ในบ้านเอวของอับราฮัมหลายร้อยปีคําว่าบ้านเอลนั้นแปลตรงตัวเลยครับตรงๆงเลยนะครับก็คือแหล่งน้ําเชื้อในลูกอันทะของอับราฮัมนะครับอันนี้เป็นภาษาเดิมครับเป็นภาษาฮีบรูเป็นภาษาเดิมที่บอกว่าบุโรหิตตามอย่างอาโรนนัก็อยู่ในบ้านเอลของอับราฮัมหลายร้อยปีก่อนอาโรนจะเกิดความหมายตรงตัวก็คือบุรหิตในสมัยต่อมานั้นก็ เป็นลูกหลานเป็นพงพันุ์ครับนะครับในบัณเอลแปลว่าแหล่งน้ําเชื้อในลูกอันทะของอับราฮัมนั่นเองครับแล้วก็บังเกิดมาเป็นเลวีและลูกหลานของเลวีแสดงว่าเลวีและลูกหลานของเขานั้นอยู่ในตัวของอับราฮัมครับอันนี้เน้นในด้านการสืบเชื้อสายนะครับเน้นทางด้านพันธุ ก, กรรมนะครับและจิตวิญญาณสถานภาพนะครับ อยู่ในตัวบุคลิกภาพสักยภาพอยู่ในตัวของบรรดาบรรพชนของพวกเขานะครับและตอนที่อับราฮัมนั้นถวายสิบชักหนึ่งแก่เมลคีเสเดกนะครับตรงนี้ก็มีการสือชัดเจนครับนะฮะและที่สําคัญก็คือว่าเมลคีเสเดกนั้นเป็นไม่ได้สืบเชื้อสายมาทางเลวีเพราะฉะนั้นเมลคีเสเดกนั้นจึงไม่ได้เป็น มนุษย์ครับจึงไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ต้องสืบเชื้อสายต่อไปพี่น้องก็จะเห็นนะครับว่ามหาปุรหิตแบบเมลคิสิสนั้เป็นมหาปุรหิตที่ไม่ได้เกิดจากการสืบเชื้อสายนะครับแต่ในขณะที่บุโรหิตของตระกูลเลวีหรือปุรุษิตตามเป็นลูกหลานของอารโรนั้นก็เกิดจากการสืบเชื้อสายนั่นเองพี่น้องครับต่อไปครับในข้อที่เจดถึงข้อที่สิบนั้น ได้กล่าวว่าสิ่งที่เป็นความจริงซึ่งไม่สามารถค้านก็คือผู้น้อยรับพรผู้ใหญ่ให้พร น, นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จริงคนไทยเข้าใจได้นะครับและในข้อที่แปบอกว่าฝ่ายข้างนี้มนุษย์ที่ต้องตายยังได้รับสิบชักหึงแต่ฝ่ายข้างโน้นท่านผู้เดียวได้รับและมีพยานกล่าวถึงท่านว่าท่านมีชีวิตอยู่ถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเลวีที่ได้รับสิบชักหนึ่งนั้น ก็ยังได้รับการถวายสิบชักหนึ่งทางอับราฮัมเพราะว่าในขณะนั้นเขาอยู่ในเอลของบรรพบุรุษขณะที่เมลคีเสเดกได้พบกับอับราฮัมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงชัดเจนครับว่าเมลคีเสเดกนั้นอวยพร อ, อับราฮัมนะครับและเมลคีเสเดกได้รับสิบชักหนึ่งจากอับราฮัมก็บ่งบอกชัดเจนว่าเมลคีเสเดกนั้นอยู่เหนือกว่าอับราฮัม แต่นี่หมายความถึงลูกหลานของอับราฮัมด้วยคือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากเลวีและอารณนภายใต้กฎเกณฑ์บทบัญญัติของพระกบีเดิมคนที่ตายได้นะครับก็คือปุโรหิตตามอย่างอารณนได้รับสิบชักหนึ่งแต่ตำแหน่งปุโรหิตที่คงอยู่สืบไปเป็นนิตของเมลเชเด็กนั้นก็เหนือกว่าอย่างชัดเจนเพราะว่าเขายัางไม่ตายและเขาไม่เคยตายเพียง ค, ครับพออ่านถึงตรงนี้นะครับนะครับ เ พ, พื่อพีบอกว่าอีกประการหนึ่งนะครับในกรณีของปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมนุษย์ที่ต้องตายเป็นผู้รับทัสังแต่ในกรณีของเมลคีเสเดกผู้ที่รับทัสังนั้นมีหลักฐานในพื่อนพี่ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ฮะท่านมีชีวิตอยู่นั้นมีความหมายว่าท่านไม่ได้ตายครับนะครับท่านไม่ได้ตายไม่เคยตายผู้เขียนได้ชี้เห็นถึงความขัดแย้งของสถานการณ์ครับว่าเลวีนะครับสืบทอดมา นะครับทางลูกหลานปกติแล้วก็รับกระสังครับรับการถวายรับการถวายจากใครครับจากชนชาติอสิสราเอลทั้งหลายนะครับตามบทบัญญัติของโมเสสนะครับแต่รับเผ่านะครับจะต้องถวายสิบชักหนึ่งให้กับเผ่าเลวีครับนะฮะต้องถวายสิบชักหนึ่งทุลุเผ่าเลยครับนะะจะต้องถวายสิบชักหนึ่งให้กับเผ่าเลวีเพราะว่าเผ่าเลวีนั้นเขา ไม่ต้องทำนาทำไร่ทำสวนนะครับเขามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือบุญบัติพระเจ้าในพระวิหารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเมื่อเราเข้าใจอย่างถูกต้องเราก็จะเข้าใจว่าเมลคีเสดกนั้นคือพระเยซูครับเพราะเมลคีเสดกนั้นยังมีชีวิตอยู่เห็นไหมครับคุณบัติในข้อที่แปดชัดเจนนะครับข้อที่สิบครับ เพราะว่าขณะนั้นเขายังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษคืออับราฮัมขณะที่เมลคีเซ่นั้นได้พบกับอับราฮัมนั่นเองขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราจะรู้ว่าในข้อที่สี่จนถึงข้อที่สิบนั้นผู้เขียนได้พยายามให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพระเยซูเหนือกว่าเลวีเหนือกว่าปุโรหิตทั้งหลายพระเยซูเป็นมหาปุโรหิต เพราะพรองค์จะต้องเข้าสู่การสิ้นพระชนเพื่อถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาครับอาเมน